book 2 74 7 0ขอร้องให้ทําอะไรบางอย่าง it's fra คุณช่วยตัดผมให้ดีฉันได้ไหมคะ can you my h อย่าให้สั mit, quarter, ้นเกินไปนะคะนิดตะโกนน e ่อ s สบลิฟสั้นอีกนิดนะคะอพิ i e k กร์เตอร์อัสช่วยล้างรูปให้ได้ไหมคะกันอีดิฟเวอร์ติสอันเวเรูปอยู่ในซีดีค่ะดิ e เวอ o ์ต s สอีสอปีคอมพักสไค รูปอยู่ในกล้องค่ะดีฟูตุสอีส i นดีคัมเมราช่วยซ่อมนาฬิกาให้ได้ไหมคะกันอีดีวอร์ลูสกระจกแตกแบตเตอรี่หมดบอ ช่วยรีเสื้อตัวนี้ให้ได้ไหมคะกันอีดีแฮช่วยซักกางเกงตัวนี้ให้ได้ไหมคะกันอีดบรุกสกวนมอกช่วยซ่อมรองเท้าคู่นี้ให้ได้ไหมคะกันสกุนรักมอกขอต่อบุหรี่หน่อยได้ไหมคะ Het ี้เอ a อนสเตียเคุณมีไม่ขีดหรือไฟแช็กไหมคะเฮตี้เอฟิโรกี้ออฟเอ e อนสเ n ีย e กอรคุณมีที่เขียบุรีไหมคะเฮตี้เออ p ป็ k คุณสูบซิก้าไหมคะร o กี้ซิคอร e คุณสูบบุรีไหมคะ รูกอีซิเครเตอร์คุณสูบไปไหมคะรูกอีไป